กระทีพสองทางเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้เราเชื่อว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงเป็นปัจจตังเป็นเรื่องรู้เฉพาะตนผู้อื่นไม่พลอยมารู้มาเห็นตามเปรียบเช่นรสอาหารผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะรู้รสเช่นเดียวกับเรื่องของเราชีวิตของเราทุกวันนี้ที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เราเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของเจ้าพระคุณ เป็นเมตตาของท่านจุดเริ่มแรกที่เราได้มีโอกาสพบกับพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนั้นก็เกิดจากเจ้าประคุณเป็นการต่อเชื่อมโดยมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องเกื้อหนุนหลายครั้งในชีวิตที่เราต้องผจญกับความทุกข์ยากแต่ก็รอดพ้นมาได้เราเชื่อว่าเป็นไปด้วยบารมีของเจ้าประคุณด้วยความเกื้อกูลของเราอารักษ์เทพทั้งหลายที่แวดล้อมรักษาเจ้าประคุณ เราไม่เคยคิดที่จะโยนให้อัศจรรย์เหล่านั้นเป็นเรื่องของความบังเอิญเจ้าประคุณสอนเราเสมอว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นเรื่องของกรรมจำแนกเป็นกรรมดีและกรรมชั่วกรรมเป็นเครื่องกำหนดให้ชีวิตของมนุษย์เป็นไปมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเครื่องจำแนกความละเอียดและหยาบคำว่าความบังเอิญที่มนุษย์บัญญัติขึ้นนั้น เป็นการบัญญัติขึ้นจากความไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่สามารถจำแนกเหตุและผลได้มนุษย์ที่มืดบอดจึงพยายามโยนความไม่รู้นั้นให้เป็นเรื่องของความบังเอิญแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้พบกับเจ้าประคุณกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้พบกับหลวงตามหาบัวกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้พบกับทุกคนในชีวิต กรรมเป็นตัวกำหนดให้เรามาเกิดในประเทศไทยและให้เรามาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเป็นที่สุดและที่สุดของที่สุดกรรมเป็นตัวกำหนดให้เราได้เกิดมาทันและมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาศาสนาที่ประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อว่าสายของกรรมขูกพัน์เราทุกคนเอาไว้และทุกๆเรื่องในชีวิตไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ ก็ในเมื่อพวกเราทุกคนได้มีโอกาสพบกับบุรุษผู้เป็นอัศจรรย์บุรุษที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้แล้วเราจะยังรีรอทําไมก็ในเมื่อสายกรรมได้กําหนดให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบกันได้มีโอกาสมาพบมากราบไหว้พระอระหันในยุคในสมัยนี้แล้วเราจะยังเสียเวลาพิสูจน์อะไรอีกเราจะยังถกเถียงกันอยู่อีกรู้ว่าเรื่องไหนใช่เรื่องไหนไม่ใช่ทําไมเราไม่เอาเวลาที่จะถกเถียงกันนั้น มาพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปเราจะเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลทำไมทำไมเราไม่ทำไม่พัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้รู้เองเป็นผู้ลิ้มรสแห่งอัศจรรย์ได้เองมวัวแต่ฟังคำบอกเล่าของคนอื่นเราก็ไม่มีวันได้รู้รสแห่งอัศจรรย์นั้นได้สายกรรมกำหนดให้พวกเราได้มาพบหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนพระอริยะเจ้าแห่งยุคสมัยนี้แล้ว พวกเราควรรีบขวนขวายตักตวงโอกาสอันหาได้ยากนี่เสียเร่งรีพัฒนาคุณภาพของจิตให้ถึงที่สุดเพราะชีวิตนี้น้อยนักน้อยเกินกว่าที่พวกเราจะมานั่งถกเถียงกันในเรื่องเฉพาะบุคคลเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดมานี้เป็นเพียงความปรารถนาดีจากทุกคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสในคุณวิเศษเสมือนหนึ่งได้ลิ้มรสอาหารอันวิจิตรปราณีต และนำมาบอกเล่าถึงความวิจิตปราณีตของรสแห่งอาหารอันอัศจรรย์นั้นแต่ผู้ที่ได้ฟังนั้นจะรับรู้ถึงรสนั้นนั้นได้ก็ด้วยความขวนขวายพัฒนาจิตของตนเองเท่านั้นและไม่แน่ท่านทั้งหลายอาจได้รับรสชาติแห่งความอัศจรรย์นั้นได้วิเศษปราณีตยิย่งกว่าเร่งรีพัฒนาคุณภาพของจิตกันเถอะเพราะชีวิตนี้น้อยนักอย่ามัวหลงทางอยู่กับอคติสี่อยู่เลย เร่งรีพัฒนาการเสียตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เวลาที่เรายังมีประทีปสองทางอยู่ประทีปที่สาดแสงสองทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเราและชี้นําไม่ทําให้เราหลงทางเป็นวาสนาของเราทุกคนแล้วที่ได้มีโอกาสมาพบท่านเป็นกรรมดีที่เราได้สั่งสมกันมาสายแห่งกรรมนั้นจึงได้เอื้อให้เราได้มีโอกาสมาพบท่าน รีบฉวยและรักษาโอกาสและตักตวงรถแห่งความอัศจรรย์นี้กันไว้เถิดเพราะเป็นสิ่งประเสริฐ ส, สุดในชีวิตของเราและท่านแล้วลงท้ายขอจงลุธรรมอันเกษมลงชื่อบันสาลา23ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 จับตาลึกซึ้แปลเพียงแรกเล่บรรดาปีติอ่อนพรรณนาเห็นลีลาผาใจให กลายพิรมสิ้นความร้มนิอันยาเปรียบานความสรวิมแห่งภูรูสุดแห่งยอดคูองค์สัพั